ทำกันเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการศึกษาปฏิบัติแล้วก็เราก็ได้ธรรมะในสาธยายทำจึงเป็นข้อวัดปฏิบัติเป็นการมองกับมหาตัวเองเห็นเราสวดบัรไปคิดบรรไปคิดคือผู้เห็นภัยไม่ใช่เพศ ตัวสติตัวปัญญาที่เข้าไปเห็นไัยเห็นไพรในวัฏสงสารไปมองตนการมองตนน่ยเป็นการตรวจสอบไม่ว่าอะไรถ้าเรามองถ้าเราเห็นน่ยก็เห็นตามควมเป็นเท็จเป็นจริงเพราะว่าที่เห็นเห็นทั้งของกริงเห็นทั้งของเท็จ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 ถ้าพลังของสติไม่พอมันจะเข้าไปเป็นเป็นโูกเป็นทุกเป็นเบื่อเป็นอ ะ, อะไรหลายอย่างเพราะกำลังสติมันไม่พอมล้วกับน้าที่มันไหลน้อยๆมันไม่สามารถที่จะพัดพาเอาเสีย ง, งโูโคกไปหรือมันตกลงมาเส่ถนนน้าน้อยๆฝนน้อยๆก็ทาให้เลอะเทอะไปมันไม่เพียงพอถ้าตก มากๆหน่อยมันก็ถนนก็สะอาดไม่ลื่นไม่แขะการปฏิบัติธรรมในกหมบวนกันพลังของความรู้สึกตัวถ้าไเรียกว่าญาณสติปัญญาญาณวิปัสนาญาณอันทะลุทะลวงอะไรที่มันเกิดขึ้นมันทะลุทะลวงเป็นเรื่องของความรู้สึกตัว ความคิดก็เป็นเรื่องของความรู้สึกตัวความทุกข์ก็เป็นเรื่องของความรู้สึกตัวความเบื่อคนเส็ความปวดความเมื่อยอะไรต่างๆเป็นเรื่องของความรู้สึกตัวเพราะพลังแห่งความรู้สึกตัวมันไม่เป็นอื่นได้ว่าพลังความรู้สึกตัวมีน้อยๆถ้าสุขก็เป็นสุขถ้าทุกข์ก็เป็นทุกข์ถ้าเบื่อก็เป็นเบื่อถ้าปวดก็เป็นปวด แต่หิวก็เป็นหิวทาร้อนก็เป็นรน้อนมันพลังมันไม่พอมันก็เข้าข้างเข้าข้างความรู้สึกตัวแต่ว่ามันอาจจะมีมันอาจจะเกิดขึ้นขนาดที่มันเห็นมันเป็นอะไรไปต่างๆแต่ไปถ้าเข้าไปดูไปเห็นแล้วก็แสดงว่าเสริมพลังให้พลังอาจจะได้จากภาวะที่ ประสบการณ์เป็นบทเรียนเป็นประสบาการณ์มันก็เราเดินเวลาเราตกลุมตกบ่อประสบการณ์ของเท้าของขามันก็มีการปรับตัวของมันการปรับตัวมันสะดุดตอมก็เป็นการปรับตัวของมันเวลามันลืน่นก็เป็นการปรับตัวของเท้าของส่วนต่าง ทำไมไม่หกไม่ล้มการปฏิบัติทมการจเจริญสตินี่ก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละมันจะปรับตัวอยู่เรื่อยๆความรู้สึกตัวนะเขาให้มันเป็นเจริญสติรุ่นๆใช่ไีความรู้สึกตัวกีกับอาการธรรมชาติต่างๆที่มันจะผ่านหน้าผ่านตาของเราเหมือนตาของเรา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 ในรูปแบบอริยบทต่างๆบัพพาต่างๆผลิดขึ้นมาประอกอบขึ้นมาให้เกิดความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวมอาจจะได้เวลาที่มันหลงความรู้สึกตัวมันอาจจะได้ในเวลาที่มันทุกข์ความรู้สึกตัวอาจจะเกิดได้ในเวลามันเบือ่อมันหน่ายมันเครียดอะไรต่างๆความรู้สึกตัวมันได้เกี่ยวข้องกับ สิ่งที่ทำให้หลงสิ่งที่ทำให้ทุกข์มันก็จะมีคุณภาพมนคุณภาพตรงนั้นด้วยอย่าปฏิเสธไม่ต้องด่วนรับไม่ต้องด่วนปฏิเสธความรู้สึกตัวมันมันมาเหนือเหนือมันก็พูดวันก่อนมันมาเหนือเมฆถ้าจะเป็นการเจ็บก็อยู่บนความเจ็บขี่คอความเจ็บถ้าจะเป็นความปวดความเม้ยมก็ยขี่คอความปวดความมย แต่จะเป็นความทุกข์ก็ขี่คออยู่วนความทุกข์ไม่ให้ความทุกข์ยุดสูงกว่าเราเรามีชัยภูมิที่ดีในสติเป็นชัยภูมิที่ดีแต่เป็นนักรบก็ได้ชัยภูมิที่ดีมีโอกาสชนะได้ทุกกรณีถ้ามีความรู้สึกตัวเราจึงตั้งหลักตัว น, นี้ไว้ให้ดีๆก่อน เอาละเราจะรู้สึกตัวอย่างไรรู้สึกตัวนี่กายเพื่อนไหวไปมากำหนดรูปนะมันก็ไม่เป็นอื่นมันก็รู้จริงๆว่าตถุที่รู้กิเลสที่รู้มันก็มีอยู่กิงตามรูปแบบสัมปชัญญะปัพภะกายปัพภะตามหลักของสติปัฏฐานตามหลักที่หลวงปู่เทียนมาสอนในปัจจุบันในโอกาสนี้แล้วก็พอดีพอดี ไม่ต้องไปสร้างเพิ่มไม่ต้องไปตัดออกก็ดูเรื่องนี้ได้ทำเรื่องนี้มันก็พอดีพอดีแล้วสิบสี่จังหวะพอดีพอดีสำหรับฝึกใหม่ๆเมื่อเราเดินเราจะฝึกให้เดินให้วิ่งให้นั่งให้นอนก็ต้องนั่งอันพอดีก็นั่งเพรียบก็ต้องนั่งแบบนี้นั่งกัดสว่บบาก็ต้องนั่งแบบนี้นั่งคุกเข่าก็ต้องนั่งแบบนี้อันพอดีแล้ว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 ไม่มีอะไรที่จะชอบทำไปด้วยเท่ากับความรู้สึกตัวความหลงเป็นไปไม่ได้ไหนกั เ, เรานั่งนะเราแกล้งที่จะเอ็นไปข้างหลังมันก็ไม่เอาถ้าจะแกล้งที่เอ็นไปข้างหน้ามันก็ไม่เอาถ้าจะแก้งเอ็นไปซ้ายขวามันก็ไม่เอามันก็ต้องอยู่ในความตรงมันพอดีของมันแล้วความรู้สึกตัวมันก็ได้ความพอดีของคือความรู้สึกตัว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 ตั้งใจเข้าวไปเข้าไปเข้าไปเรื่อยเรื่อยไปไปข้างหน้าเรื่อยไปการปฏิบัติทำก็มันกับกลับมาลู่กลับมาลู่การกลับมาลู่เท่านึ่งการกลับมาลู่เท่านึงมันก็เท่ากับผ่านจากความหลงไปแล้วมันมีความหลงขวงหน้าขวงตาความทุกข์ขวงหน้าขวงตากลุ่มึะมันก็ผ่านความหลงผ่านความทุกข์ไปแล้วผ่านใจข้างี่หนผ่านใจข้างี่หนแต่ที่มันผ่านมาก็มีความเข้มแข็ง ก็มีความคล่องตัวคล่องตัวขณะที่มันผ่านถ้าไม่ผ่านมันก็ไม่คล่องตัวเหต่ที่มันคล่องตัวก็เอาอริบบทเอารูปแบบมาช่วยเอากรมมาช่วยกำต่างหากเป็นสิ่งที่บุกเบิกไม่ใช่เหตุใช่ผลไม่ใช่จรินิสัยแม่จะเป็นละคะจริโทสะจริโมหะจริ ก็ไม่ใช่ไปแก้จริติดตรงนั้นภาคปฏิบัติจริงๆมาเจริญสติมาเจริญสติสตโทสะจิตก็ไปไม่ราลาคะจิตก็เพ่งกัาสุภาษไม่ใช่ตองมาเจริญสติแน่นอนที่สุดความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยต้องไปหาอะไรดอกเอากรรมาตรฐานวิชากรรมฐา น, ารรฐานเป็นวิชาบุกเบิกเป็นวิชาที่ลิขิตชีวิต พุทธศาสนาเนี่ยสอนเรื่องกรรมไอ้ชี้สอนเรื่องเทพเจ้าอะไรต่างๆอ้อนวอนไม่ใช่เอากรรมคือการกระทํารู้สึกตัวรู้สึกตัวไปทําไม่ไหมนี่ก่อนที่จะรู้สึกตัวมันก็มีปัญหาเหมือนกันล่ะเบื่อบ้างเครียดบ้างปวดบ้างไม่ชอบบ้างหาสิ่งที่เปรียบเทียบบ้าง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 โดยพ่อการปฏิบัติเดินไปตรงนี้หละถ้าใครเดินเหตุไปเห็นกายก็แสดงว่าไปทางเดียวกับพระพุทธเจา้าเห็นกายกายก็แสดงให้เห็นเรื่องของกายแสดงให้เห็นมันต่อไปเรื่อยๆดอกเป็นเวทนาออกไปทางเดียวกับพระพุทธเจ้าแล้วไปเห็นมันคิดแสงหน้าแสงหลังก็แสดงว่าไปทางเดียวกับพระพุทธเจ้าแล้ว เห็นธรรมที่เปิดเกิดกุศลดอกกุศลเกิดขึ้นควมง่วงเมาหอนนอนความมมงเลสงสัยพยาบาทบางทีนักปฏิบัติผู้ปฏิบัติเกิดพยาบาทขึ้นมาใจเล่าเหล่ารอ น, อนเรื่องผีปัญไปแล้วก็เอามาคิดเรื่องที่ยังไม่มาถึงก็เอามาคิดมันอยากไปที่อื่นมันอยากไม่อยากอยู่ปัจจุบันก็เพียรพยาพยามดูมันแล้วก็ทำที่มันคอกงับ แล้วก็เห็นเนี่ยไปทางเดียวกับพระพุทธเจ้าแล้วทูทีเริอนสติปัฏฐานตามหลักกายสติปัฏฐานสี่เนี่ยแสดงว่าเดินตามรอยพระพุทธเจ้าแต่มันเกิดความง่วงเหงาหานอนก็แสดงว่าไปเส้นเดียวกับพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็ผ่านตรงนี้แหละความหลังเลงสงสัยเกิดขึ้นอ๋อไปทางเดียวกันเอกแล้วพบเหมือนกันข้ามโูเขาลูกนี้เหมือนกัน อ่านทางเส้นนี้เหมือนกันควมง่วงเหงาห่อนอนความมังเลรสงสัยความคิดพุ่งสั่นปฏิบาทถีนมิทะวันนี้แสดงว่าไปทางเดียวกับพระพุทธเจ้าขอให้ยิ้มไว้เถอะแต่มันเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นขนาดโตจนสติถูกแล้วถ้าไม่มีอะไรเห็นถ้าไม่มีอะไรยากถ้าไม่มีอะไรได้ทํากับความยากความผิดความถูกมันก็ไม่ใช่ปฏิบัติ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 ผิดอะไรก็ตามคือความรู้สึกตัวเรียกว่าปฏิบัติจึงเรียกว่าปฏิบัติแต่ว่าต้องเข้าข้างความรู้สึกตัวหาวิธีที่จะให้เกิดความรู้สึกตัวขณะที่มันเกิดอะไรขึ้นมาหาวิธีแล้วมันก็ไม่ต้องหาหายากระโอบขึ้นมาโกนขึ้นมายกมือขึ้นมาเดินจงกรมขึ้นมา หายใจเข้าหายใจออกขึ้นมาโอกาสอันใดที่มันไม่เหมาะไม่ควรเช่นอยู่บนรถเมย์อยู่ที่ทํางานก็กระด็กเที่วลงมอหายใจเข้าลึกๆ ล, ล, ลงไปรู้สึกตัวลงไปจากไปมามันก็ชินมันก็เห็นทางพบทางมันก็เหมือนกับปัญญาในละสติกมันก็เราทํางานทําการเมื่อมันเกิดอะไรขึ้นปัญหาอะไรขึ้นมันก็เกิดปัญญาตรงนั้น เกิดปัญญาเท่านั้นปัญหามันก็กลายเป็นปัญญาไปความทุกข์ก็กลายเป็นความไม่ทุกข์ไปยาไปกลัวความทุกข์ลองลองโลง่ทำมันทุกข์เราลองยิ้มหัวเราะความทุกข์มั่นใจทำมันหลงกับหัวเราะความหลงโดยเพราะความเชื่เนี่ยมันซุกสนที่สุดเลยคิดก็ว่าคิดเฉยมันก็ชิดแล้วมันไปย่อมบอาเป็นสุกเป็นทุกข์ด้วย เป็นเบื่อเป็นกิเลสเป็นอะไรหลายอย่างเกิดจากความคิดเกิดจากความหลงความหลงเกิดจากความไม่รู้ความไม่รู้เกิดจากการไม่ประกอบมันก็มีอย่างนี้ปฏิบัติทำรรไม่ใช่ว่ามันไม่มีอะไรที่เราจะมืดแปดด้านมันไม่มืดแปดด้านถ้าแต่เรามีหลักในความรู้สึกตัวทํายังไงมันจึงจะมีความรู้สึกตัวก็ประกอบ อันประกอบคือกรรมกรรมคือที่ตั้งประกอบลงไปตั้งไว้ลงไปทําลงไปนก็สนุกสนุกไปการปฏิบัติธรรมอย่าไปคิดเรื่องยุ่งเรื่องยากทำไมจึงทำอย่างนี้ทำไมจึงทำอย่างโน้นไม่มีประโยชน์เสียเวลาอย่าไปแบ่งอย่าไปพุ่มฝฟย่ยปฏิบัติทำไมใช่เรื่องพุ่มฝฟย่ยเป็นเรื่องน้อย แต่ไปคิดว่าฉันชอบแบบนี้ฉันไม่ชอบแบบนี้หราพุ่มพวยแล้วทําอย่างนั้นดีกว่าทำานี่นไม่ดีพุ่มพวยไปแล้วไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องไปใช่สมองใช่เหตุใช่ผล น, นั้นได้เอากรรมไปเลยอ่าหมือนกับเราเป็นพระเป็นเจ้าไม่หวือนกับนกไปทางไหนก็มาอนกับกนกบินไปได้จีวรไม่จีวรไม่บาตไม่พุ่มพวย การปฏิบัติมันหิวไปง่ายๆไม่พละลงพลังนะการจเจริญสติเกิงๆไม่พละลงพลังเลยง่ายง่ายอะไรก็รู้สึกตัวอะไรก็รู้สึกตัวก็อยู่กับหล่ไม่ได้ไปหาที่ไหนไม่ได้ไปสู้กับอะไรไม่ได้ไปลบเวลากับอะไรรู้สึกตัวอย่างเดียวรู้สึกตัวอย่างเดียวโอ้ยสนุกสนานมันเห็นของกิ่งเห็นของไม่จริง ี่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจขณะที่เราปฏิบัติมันขณะอื่นมันไม่เกิดมันเกิดขณะที่เราปฏิบัตแิแท้ๆนี่แหละมันไม่เกิดที่ไหนดอกมันไม่ได้ไปรี้แต่เป็นตาเรามันก็เห็นขณะที่มันลืนตาอยู่นี่มันไม่เห็นขณะที่เราหลับตาคนปฏิบัติก็เห็นขณะที่เราปฏิบัติ ความสุขความทุก์ก็จะเห็นขณะที่เราปฏิบัติมันก็เห็นต่อหน้าต่อตาเนี่ยแหละเราต้องไม่มีคำถามฉันทุกข e ์หรือเปล่าฉันหลงหรือเปล่าฉันโกรธหรือเปล่าฉันยากหรือเปล่าฉันง่ายหรือเปล่าไม่มีคำถามต่อหน้าต่อตาเราจริงๆเห็นต่อหน้าต่อตาเห็นทุกข์ก็เห็นจริงๆ <c oughs> รู้สึกตัวมันก็รู้ได้จริงจริงขณะที่รู้สึกตัวประกอบปารสร้างสติเอ้าวความหลงก็หมดไปมันทุกข์ขึ้นมา อ, อีกลู่รู้สึกตัวความทุกข์ก็หมดไปเอาไปมามันก็เหลวไหลทั้งนั้นอะไรที่มันยกไม่ขึ้นมาเป็นสุขเป็นทุกข์เห็นของเริงเก่งแบบไม่จริงความทุกข์ก็ไม่อยู่จริงแต่มันไม่เริง ความหลงก็เกิดขึ้นจริงแต่มันไม่จริงสิ่งที่มันจริงคือความรู้สึกตัวลองดูลองความทุกข์เกิดขึ้นเธอรู้สึกตัวดูสิความรู้สึกตัวจริงก่อความทุกข์เราก็ไปยึดเอาของที่มันไม่จริงว่าเป็นของจริงเป็นตัวเป็นตนในกายนี่ก็เป็นตัวเป็นต้ น, ต น, ตนตถูกกายมันหลอกถูกกิจมันหลอกถูกเวทนามันหลอก หลอกให้โศกหลอกให้ทุกข์ไม่มีเหตุมีผลนั่นได้มันก็หลอกให้โศกให้ทุกข์ได้บางอย่างบางอย่างมันก็ไม่บางอย่างมันก็มีเหตุมีผลเช่นโยมงกัดมันก็เจ็บหิวข้าวมันก็หิวเหนื่อยเมื่อยล้าฝนตกก็เปียกแดดออกมันก็ร้อนลองฝนบางคนหนาวบางทีเรายังไม่ทุกข์เลย เวลาเราเดินแฉีงฝนยังไม่ทุกข์เลยเวลาเราเดินฉากตากแดดก็ยังไม่ทุกข์เลยเพราะสาความคิดมันเกิดขึ้นมาเฉยๆก็ไม่ทุกข์กับมันหน้าหัวโลบมันน่าหัวโลบมันน่าปัดก้นเลยนะถ้าจะพูดแล้วว่าเราลุกไปปัดก้นปั๊บนิดเดียวเป็นผมบองโูเขาปฏิบัติธรรมการที่จะชนะจริงๆเลยชนะตัวหลงในแหละ ก็ไม่ไปลบเวลากับอะไรดอกการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปลบกับกิเลสตัณหาต้องอดต้องต้นต้องกัดฟันสู้ไม่หลับไม่นอน ون, ไม่ใช่จะหลับก็จะนอนจะยืนจะเดินกน็ตามมาคือหลงความหลงมันก็ได้หลงเวลาเรานอนความห ล, ล, ล, ล, ลงก็ไม่ได้หลงเวลาเราหลับความหลงก็ไม่หลงความหลงก็หลงในเวลาเราทำอะไร มันหลงขนาดที่เราไม่มีสติยืนเดินนั่งนอนไม่เกี่ยวจะใช่รีบทแบบไหนไม่เกี่ยวมันหลงขนาดที่เราไม่มีสติมันก็แค่นี้เองฉันนอนดูฉันจึงหลงฉันฉันอยู่ฉันจึงหลงไม่ใช่เลยแล้วความรู้สึกตัวก็เป็นอากาลิโกไม่มีการด้วยความรู้สึกตัวไม่มีการจริงๆเป็นอาการลิกธรรม อะไรก็รู้สึกตัวได้ใจชีวิตแบบรู้สึกตัวไปกับอะไรอะไรก็ได้แหลมลมรู้สึกตัวมันแหลมอย่าให้มันตู้บางทีลมหายใจก็ให้มันแหลมกว่นอย่าให้มันตู้ที่เรานั่งหายใจอาณาบนาสติเนี่ยแต่ลมหายใจเรามแหลมมันจะหายใจได้ยาว อารมหายใจมันตู้จะหายใจได้ไม่ยาวใช่ไหมลองดูไหมตึ๊บเข้าไปก็ไปไม่ได้อีกแล้วสูดเข้าไปไม่ได้อีกแล้วแหลมลมหายใจสูดเข้าไปปล่อยออกมากให้มันแหรมๆอย่าพุดธออกไปแล้วแลมมันได้ยาวความแหลมมันสอดเข้าไปมันลึกซึ่งสติปัญญาเมันก็แหลมไม่ใช่มันตู้นะ ผมรู้จักตัวมันลึกซึ้งขนาดที่มันหลงผมรู้จักตัวมันลึกซึ้งขนาดที่มันทุกข์ผมรู้จักตัวมันลึกซึ้งขนาดที่มันโกรธอะไรก็ตามมันแหลมเข้าไปไม่กระทบกระทือนความแหลมความคมเราจะเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญามันก็เป็นมันเป็นศีลศิลปะมันเป็นความแหลมควผมเป็นคมค่ามมีน้ำหนัก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 กามันก็มั่นอยู่ในตนรู้สึกตัวใส่ใจรู้สึกตัวก็เป็นสมาธิแล้วแล้วก็มีสติอยู่ตลอดเวลาไม่ได้หลงไปไหนก็เป็นศินแล้วเวลาใดที่มันหลงก็นก็นักแท่นลงไปไปเย็นามหลงเป็นความรู้มันก็เราฟันเม็ดขุดดินจับลงไปจังหวะเวียงลงไปมันเป็นปัญญา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 เรื่องของกายก็เป็นวิปัสนาเห็นแล้วเห็นแล้วไม่มีตัวไม่ตนอยู่ในกายเห็นเป็นกายตทำความเป็นจริงเขาล่นเขาหนาวเขาปวดเขามโวยเขาสุขเขาทุกข์แต่ว่าไม่มีเป็นผู้สุขผู้ทุกข์ผู้กายเป็นผู้ล่นผู้หนาวผู้กายแต่ว่าเป็นผู้เห็นเป็นผู้เห็นนี่อน่างนี้เวทนาก็เหมือนกันเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์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 ถ้าเป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกข์หรือมอมเมาตัวเอง ข, องข่มขืนตัวเองให้มันสุขมันทุกข์หรือโอ้ยไม่ได้ ข, ข่มขืนตัวเองเลยบรรลุทำตรงนี้ได้เหมือนกันห้ามล่วงได้เหมือนกันเนี่ยมันก็ไปอย่างนี้นะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปวิเศษวิสูโอ้มีฤทธิ์ที่ปฏิหารฤทธิ์ก็คือทําความหลงให้มันเกิดความรู้ ฤทธ์ก็คือทำความทุกข์ให้มันเกิดความไม่ทุกข์ฤทธ์คือทำความโกรธให้เป็นความไม่โกรธฤทธ์ทาสําเร็จแล้วผ่านแล้วทําเป็นแล้วทําเป็นแล้วฤทธ์ไปอย่างนี้ก่อนฤทธ์ไปในก่อนเป็นศีลปกติได้สมาธิมั่นคงได้ปัญญาลอบลู่เปลี่ยนหลงเป็นลู่ได้นี่ก็ฤทธ์นะมันเราเดินทางเราเก้าวไปเป็นก้าวไปเป็นสมเร็จความ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 อะไรๆก็เป็นเรื่องเล็กน้อยไปหมดเลยพอเขาขึ้นเขาสีปทะลงมาชีวิตของเขาเปลี่ยนไปเพราะอะไรมันยากลำบากมันทุกข์มันเหนือ่อยมันเหน็ดมันเหนือ่อยขึ้นสูงก็สูงก็ตั้งแต่เช้ามืดกลับมาจนค่ำมืดขึ้นสูงเขาบอกว่าเขาภูมิใจเขาว่า อะไรเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยคำว่ายากคาว่าทุกข์นจะให้ยิ่งใหญ่ไปกว่าขึ้นเสาเขาเขาสีปัทะไม่มีเลยในโลกเนี่ยเขาว่านคนที่เคยสมปุกสมบูรณ์คนที่เคยผ่านความยากลำบากผ่านความทุกข์ผ่านปัญหานต่างๆความทุกข์แท้ๆทำไมเกิดเป็นพระพุทธเจ้า ความทุกข์แท้ๆทำไมเกิดเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นพระพุทธเจ้าชื่อว่าผู้นั้นเห็นธรรมก็เห็นอย่างนี้แหละธรรมมันเป็นกลางๆเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีอย่าไปติดสุขสุขทุกทุกปล่อยเลยพวกเราอย่ามาคล้องตัวเนี่ยปล่อยเนื้อสุขเหนือทุก ผมรู้สึกตัวพอให้เราเหนือสุขเหนือทุกข์ผมรู้สึกตัวต่างหากที่ทำให้เราเป็นบรรพชิตผมรู้สึกตัวต่างหากที่ทำให้เราเป็นมนุษย์ผมรู้สึกตัวต่างหากที่ทำให้เราเป็นพระเป็นเจ้าไม่ใช่รูปแบบอนไนการปฏิบัติเจริญสติปฏิบัติตามธรรมสัตทมโชสุ ป, ปฏิปฏิคุณาพิจุตตพะสงเกิดจากพระสัทธรรม ในการปฏิบัติดีเป็นต้นสัตยธรรมก็คือการเจริญสติเห็นความเท็จความจริงต้องรู้สึกตัวเห็นของเท็จของจริงเขาแสดงว่าถ้าเห็นมันสุขเห็นมันทุกข์เห็นมันอะไรต่างๆมากมายหลายอย่างแสดงว่าเห็นสัตยธรรมเกิดกาเกิดจากการผสัตธรรมในการปฏิบัติดีเป็นต้นปฏิบัติดีคือดีคือรู้สึกตัวอะไรก็รู้สึกตัวตรง หลงไม่ไปฉุกไม่ไปทุกถ้าไปสุกไปทุกไม่ตรงก็มารู้สึกตัวก็มารู้สึกตัวตรงมันจึงทําลองดูประกอบลองดูฝ่าโลกความเรียนลองดูเมื่อเห็นอะไรเกิดขึ้นก็รู้สึกตัวลองดูความรู้สึกตัวนี่แหละน้อยความรู้สึกตัวนี่แหละมันไม่ใช่ความรู้สึกตัวธรรมดามันจะเป็นยานเป็นฌานเป็นวิปัสนาญาณความรู้สึกตัวนี่เป็นวิปัสนาญาณ จนถึงเป็นพระหันก็คือความรู้สึกตัวพระหันก็เปินผู้มีสติเป็นหน้าโลกพละหันผู้มีสติเป็นหน้าโลกมาทางไหนก็รู้สึกตัวได้มาทางตาก็รู้สึกตั ว, วามาทางหูก็รู้สึกตัวมาทางกลิษก็รู้สึกตัวมาทางเลี่ยก็รู้สึกตัวมาทางกายก็รู้สึกตัวมาทางกิตใจที่มันคิดเนื้ก็รู้สึกตัวหน้าโลก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 ไม่มีอะไรที่จะอุ่นใจเท <scroll through. S 1> ่ากับเราช่วยตัวเราไม่มีอะไรที่จะอุ่นใจเท่ากับเร า, าบอกตัวเราเปลี่ยนตัวหลงเป็นตัวรู้เปลี่ยนตัวผิดเป็นตัวถูกเปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุกนะเปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธมันอุ่นใจที่สุดตรงนี้ตรงนี้มันสมน้ำสมเนื่องความหลงเกิดขึ้นมาเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้มั่นใจสมน้าหน้าความหลงสมน้าหน้าควมาม ทุกสมน้าหน้าความโกรธเธอได้เปลี่ยนเป็นตัวรู้สึกตัวแล้วสุดแล้วจบลงเท่านั้นแล้วถูกต้องที่สุดแล้วหัดทาตรงนี้หัดทาตรงนี้ไปอย่าจเจริดเปิดเปล่งไปทางอื่นอย่าสมมุติอย่าบัญญัติสมมติบัญญัติเนี่ก็ทําให้ไม่เห็นประมาทสัจเจบางทีความโกรธก็เป็นสมมตินะความทุกข์ก็เป็นสมมติความรักความชังยินดียินร้ายเป็นสมมุติ สมุดเฟังแต่ว่าสม eng, pillows, ุตดมันไม่เก่งไม่ใช่ปรมัตความหลงเป็นสมมุติความรู้สึกตัวเป็นปรมัตความโกรธเป็นสมุติความรู้สึกตัวเป็นปรมัตนะปรมัตเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราอย่าไปทิ่งปรมัตปรมัตคือเริ่มต้นจากการเจริญสติเนี่ยความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี่แหละปรมัตถัศภาวัรรมสร้างขึ้นมาอย่าให้ความหลงมันหองชีวิตเรา กู้ชีวิตเราคืคนมาโดยการเจริญสติการเจริญสติเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะอาบมื่อไหลไข ย, ย้อยอะไรก็รู้ได้รู้เบาเบารู้นิ่มนวนลรู้ลึกซึ้งไปไม่ใชเดินอไหลไข ย, ย, ย้อยไม่นจะนั่งหลังคนหลังงองเอ่มกรบรู้สึกตัวไปอะไรก็ได้อานั่งอยู่เฉยๆรู้สึกตัวก็ได้ เท่มันจะรู้ง่ายก็กลับมาตั้งหลักจับฐานที่ตั้งจะเคลื่อนไหวไปมาได้เหมือนกัน